แนะนำบทอัลมุดดะซิดอัลมุดดซิรเป็นบทมักกิยาะมีห้าสบกองการเรื่องราวของบทนี้เช่นเดียวกับบทก่อนๆนี้คือบทอัลมุดจามิลโดยกล่าวถึงมุมหนึ่งของการดำรงชีวิตและบุคลิกของท่านรอนซูลซลลลวะเลยวละสลัมด้วย น, นี้จึงถูกขนานนามว่าอัลมุดดะซิดบทได้เริ่มด้วยการใช้ใท่านรอซูล ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เผยแผ่เชิญชวนด้วยความขยันขันแข็งกล่าวตักเตือนพวกปฏิเสธและอดทนต่อการทำร้ายของเหล่าคนชั่วจนกว่าอัลลอฮฺจะทรงตัดสินระหว่างท่านกับพวกเขาต่อมาบทได้กล่าวตักเตือนและเตือนสำทับบรรดาคนชั่วเหล่านั้นให้รำลึกถึงวันอันยากลำบากยิ่งสำหรับพวกเขาที่จะต้องประสบบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของผู้ชั่วช้า คืออัลวาลิดอิบนุลมูกีรอซึ่งได้ฟังอัลกุรอานและทรงรู้ว่าเป็นคํากล่าวของอัลลอฮ์แต่เนื่องจากการเป็นหัวหน้าและยังคงมีความรักและหวงใ ย, ยต่อตําแหน่งเขาจึงอ้างว่าอัลกุรอานเป็นมายาคนและว่ามูฮัมหมัดเป็นนักเล่นคนวันนี้ได้กล่าวถึงไฟนรกซึ่งอัลลอฮ์ได้สัญญาไว้กับพวกปฏิเสธได้กล่าวถึงประตูนรกและยามเฝ้าประตูนรก ซึ่งพวกเขาได้รับมอบหมายลงโทษแก่ชาวนรกตลอดจนจํานวนของยามเฝ้าประตูนรกและเคล็ดลับในการกําหนดจํานวนของพวกเขาเช่นนั้นบทนี้ได้สาบานด้วยดวงจันทร์และแสงนวลของมันและด้วยยามเชา้าเมื่อมันทอแสงว่านรกนั้นเป็นหนึ่งในความหายยะอันใหญ่หลวงต่อมาในบทได้กล่าวถึงการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดามุกมินผู้ศรัทธาและพวกคนชั่ว ในสาเหตุที่พวกเขาเข้าสู่นรกบทนี้จะจบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่พวกมุชริกีนไม่ยอมศรัทธาโดยพระนามของลอทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้ uh oh, ผู้หมกายอยู่นั้น um จงลุกขึ้น และประกาศตักเตือนบบ ك ك และแด่พระผูพ้พิบาลของเจ้าจงให้ความเกลี่ยนแปลงและเสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สะอาดเสียธธและสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสียลลและอย่าทำคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายลบบและเพื่อพระผู้ภิบาลของเจ้าเท่านั้น เมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้นนั่นคือวันนั้นเป็นวันแห่งความยากลำบากแกบันดาผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายจงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่่า ได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเถมมิดแต่ข้าได้ทำให้เขามีทรัพสมบัติอย่างเหลือลน้นและลูกหลานที่ทั้งพร้อ ม, มและข้าได้ทำให้เขาสุขสบายอย่างราบเรือ แล้วเขายัางลบที่จใจข้าเพิ่มภูมแก่เขาอีกเปล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่างๆของเราในไม่ช้าข้าจะเพิ่มความยากลำบากให้แก่เขาแท้จริงเขาได้ไข้ควรและคาดคะเนดังนั้น เขาต้องได้รับความหายนะและเขาจะคาดคะแนนได้อย่างไรมม ก, ลกรแล้วเขาต้องได้รับความหายนะเขาจะคาดคะแนนได้อย่างไร ม, มรแล้วเขาได้ตึกตรองมมวแล้วเขาทําหน้าบูดบึ้งและทําหน้านิ้วคิ้วขมวมมด แล้วเขาก็พินหลังออกไปและยิงพยอง เขาได้กล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นมายาคนที่สืบทอดกันมาอนีไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นคําพูดของผู้ทุชนธรรมดาสลกในไม่ช้าข้าจะโยนเขาเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้ และอันใเล่าทําให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไรมันจะไม่เหลืออะไรเลยและมันจะไม่ปล่อยผู้ใดให้คงเหลือไ ว, ว้มันจะเผาไหม้ผิวหนังจนไหม้เกรียมเนื้อมันมีมาลาิก้าสิบเก้าท่า ك تو وما جعلنا عدتهم إلا ك ت ب َ وما جعلنا عدتهم إلا كذبة للذين كفروا ليستيقن الذين أ و ت و ا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إ ي م ا ن ا َ ولا يُرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم ّ ر ض و ا والكافرون ماذا أراد الله بهذا متلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جلود ربك إلاه وما هي إلا ذكرى للبشر และเราไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นยามเฝ้าประตูนรกนอกจากมารีกาเท่านั้นและเราไม่ได้กำหนดจํานวนของพวกเขาไว้เว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเพื่อบรรดาชาวคำพี์จะได้เชื่อมันและบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เพิ่มภูมการศรัทธาและบรรดาชาวคำพีรวมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ต้องสงสยัย และเพื่อบรรดาผู้ในหัวใจของพวกเขามีโรครวมทั้งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าเอาล้อทรงประสงค์อะไรด้วยอุปมานี้เช่นนั้นแหละพระองค์จะทรงทําให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงทางและจะทรงให้ทางนําแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และไม่มีผู้ใดรู้จํานวนไพร่พลของพระผู้อภิบาลของเจ้านอกจากพระองค์และนี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่มนุษย์ เก ล, ล่าว เ, เลยขอสาบานด้วยดวงจันทร์ขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันคล้อยไปสสอขอสาบานด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสงแา้ราจริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่ง ในความหายยานะอันใหญ่หลวงลลลเพื่อเป็นการเตือนสำทับแก่มนุษย์สำหรับผู้ที่ประสงค์ในหมู่พวกเจ้าจะรุดหน้าไปสู่ความดีหรือจะรังท้ายเพื่อกระทำความชั่วตนะแต่ละชีวิตย่อมถูกคำประกันด้วยสิ่งที่มันขนขวายไว้ ยกเว้นบรรดาผู้อยู่เบื้องขวาที่ทอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายพวกเขาจะไต่าถามซึ่งกันและกั น, น, นเกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิดอะไรที่นำพวกเจ้าเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้ พวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ทำละหมาดเราไม่ได้ให้อาหารากบับรรดาผู้ขัดสนและพวกเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มวสุมและพวกเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุม และเราเคยปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนดจงกระทั่งความตายได้มาอย่างเราแต่นั้นการช่วยเหลือของบรรดาผู้ช่วยเหลือจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขาดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขา โดยที่พวกเขาผลิหลังออกห่างจากข้อเตือนสติประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นลาเปียวที่ตื่นสนก น, กนีจากเสือสิงถ้าจริงทุกคนในหมู่พวกเขาต้องการที่จะมีผ่นบันทึก ยื่นมาให้เขาไม่เลยยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังไม่เกรงกลัววันปราโลกอีกด้วยกัลลยแินันคือข้เไม่เลยแท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติอ ฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะรำลึกได้และพวกเขาจะไม่รำลึกได้เว้นแต่อัลลอฮทรงประสงค์พระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าแห่งการยำเกรงและพระเจ้าแห่งการให้อภัย